عوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأك م س م والأفقار و ا ل أ ف ئ د وهو الذي أنشأك م س م ع والأفقار والأفئدة. قال لما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار و ا ل ا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا ت َِْ ل ُ و ن َ بل قالوا مسلم قال الأول ش ك قالوا أ ئ ا متنا وكنا ترابا قالوا أ ئ ا متنا وكنا ترابا و ك ُ ن َّ ا ت ر َ ا ب َ و َ ع ِ ز َ م َ و ِ إ ِ ن ل لمبحث م ب َ ع َ س َ م َ ب َ ع ُ و ن َ لَقَدْ ع د ْ ن َ ا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا لَقَدْ ع د ْ ن َ ا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. إلا أساطير الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.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 و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ ن ُ س ُ و ر أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ر ُ مَا عَسْمِهِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ن ا وَبِمُحَمَّدٍ ا ل ر َ س ُ و ل اللَّهُمَ ائْنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَ รับบีอาอุบุกับค์มีงาดับในนาร์และงาดับในกับร์อัลลัฮุ์มะอฟินีฟีบด์นีและอฟินีฟีซามัยและอฟินีฟีบัตุรีสุบฮานุลลอฮฺ ف ละบิฮัมดีฮีอาดัดาคลลทีฮีวารีบะนัฟซีฮีวะซินะตะอาร์ซฮีวามิดาดาคาลิมัตีฮีสัลามุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุพี่น้องที่ร่วมนมัส ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอืน่นนะครับเราต้องชุกโตต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาานะครับการชุกโตต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้อัลลอ์จะเพิ่มถ้าเราชุกโตต่ออัลลอ์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลล์จะเพิ่มถ้าเราทรายศต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะถูกลงโทษเมาาื่อร่ก็ไม่รู้ ฉะนั้นเป็นผู้ที่ชุกตต่ออัลลอฮ์ดีกว่าภาษานะครับที่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีภาษาอะไรที่ดีกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่เป็นภาษาที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีนะครับให้นบีเนี่ยมาสอนให้คนในอุมานี้เนี่ยนะครับให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์น้ในทุกโอกาสในทุกเวลานะ ขอบคุณ Allah พี่น้องครับกุศลว่าไงนะละอินชาการตุมละอาีดั้นนากุมพี่น้องถ้าเข้าใจภาษาอาหรับบ้างระเล็กเดียน้อยละอินชาการตุมแต่หาท่านทั้งหลายขอบคุณอ l ล a h ละอาซีดั้นนากุมเราหรือฉันจะเพิ่มให้กับสูเจ้าแน่นอนดัานหน้าในขบวนนูนตะกีตนะเน้นฉันจะต้องเพิ่มให้สูเจ้าอย่างแน่นอน เนี่ยพี่น้องครับวิเคราะห์อกุญ อ, อ่านทีละคำสองคานี่พี่น้องถ้าไม่อิหมาเราเพิ่มนะนะครับกระทั้งขอบคุณอัลลอฮ์ดีที่สุดใช่พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ภาษาก็คือตอนตื่นนอนเมื่อคืนนั้นนอนหลับเป็นเนื้มัตอันยิ่งใหญ่ที่ที่นอนหลับคนนอนไม่หลับจะรู้เลยว่าโอ้โหนอนไม่หลับนี่มันเครียดพี่น้องเวลานอนไม่หลับไปทํางี้อ่านดวง อ่านดูอาก่อนดูอานอนไม่หลับมีไหมพี่น้องมีอันดับสอนไว้แล้วนะครับสอนได้หมดแล้วนะแล้วก็ถ้านอนไม่หลับอ่านดูอาแล้วนอนไม่หลับให้ลุกขึ้นไปนมาดเอ๊ะก็ฉชั้นยังไม่ได้นอนเนี่จะนมาดต่ฮัดยุดยังไงกดใช้ภาษาหมายกิยามุลเลนนมาดกลางคืนนมาดกลางคืนนี่พี่น้องนมาได้ทุกเวลานี่แหละอะไรบ้างเช่นอย่างนมาดตะรวีเนี่ยวันเดือนมอตะรเนี่ย เขานมา a กันตรวีหลังจากไหนหลังจากนมา a อิชาใช่ไหมั้ดท้ายบางทีเรานอนไม่หลับสี่ทุ่มก็นามาตกิยามุลเลยไปก่อนสองรากาต อ, อ่านยาวๆหน่อย อ, อีสองรากาตเดี๋ยวก็จะง่วงทำตามมาทันทีขอบคุณ Allah นะ Alhamdulillahilladhi ahiyanabadama amatana wa ilayhim nushud เนตัวอ่ะขอบคุณ Allah หลังจากพี่น้องตื่นขึ้นมา ท่นานนบีเนี่ยคือ น, นบีเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเรานะในทุกๆเรื่องนี่ยนบีจะลุกขึ้นมานสมาตะฮัดยุดเนี่ยก่อนที่จะไปอาบน้ำเนสมาเนี่ยหลังจากอ่านดูอานี่อัลฮะมุดุลิลาหิลลัลลิอัพละยานะบาดะมะอามะตะนะไวลัยฮิมโนจูดนบีจะอ่าน10อายะสุดท้ายของส an ุรอาล่อิมรอนนะครับนบีจะอ่านทุกคนืน งันหน้าไปทางข้างบนชั้นฟ้าแล้วก็อ่านดูว่าอ่นคู่อานนะอินนฟิกตลาฟิลไลลิวันนะฮะละอายัติลูลิลอัลบาบอัลลัตนาจะกรุนอัลลอฮะกิยามอุวะกูอูอวะลาจุนบิห์มวยทฟัคคารุนฟลกิสมาวติวัลอรบบนามาลักตาซาบิลา ตูบะฮานะก็ฟะตินาอัลเบนนายาวนะอายสุดท้ายก็คือยาอายุหันละดีนะมันอุศบรูวะฟาบรูวะรับตูวัดตะคุลลาฮ์ละ علكم ทุฟลิฮูนอายสุดท้ายนะดีมากเลยคัมแปรนะดูคัมแปรมันนะไปเนาะอ้าอธิบายด้เตงนะยาอายุหันละดีนะมนุ่อบรรดาผู้ที่มี إيمان เลย อิสบิรูจงอดทนจงอดทนแตนี่อบูฮุไรอนเนี่ยอธิบายอดทนอธิบายยังไงอดทนในการทาความดีอดทนในการทำนำมาติทำอิบัตห้าเวลาที่มัสยิดเนี่ยพยายามทำด้วยความอดทนนะแล้วก็สอสสบาบัเนี่ยแบงออกเป็นสามอย่าง สวัสดิในการทำความดีสองอดทนไม่ทำความชั่วสามอดทนตอนที่มีความเดือดร้อนมีความลำบากมาประสบกับเราห้ามโวยวายห้ามดา่าห้ามตำหนิให้นึกถึงองค์รยเยอะๆเอาแบบใครแบบนบีผ่านมาที่เวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเขาลำบากเช่นนบียูซุฟอยู่ในบอ่อเนี่ยเขาทำตัวยังไงอ่ะ เขาชมอัลลอฮ์อยู่สองเรื่องอัลลอฮ์ุนอักรลาอิลฮอิลลัลลอฮนี่ไงบุคคลตัวยาอับาุบยูน mm ุส hmm. ที่ตกอยู่ในในทะเลแล้วก็ปลามามาช่วยไม่ให้ตายนะมาอยู่ในท้องปลานึกถึงอัลลอฮ์ตอ น, น, นบลบากลว่าไงลาอิลฮ์อิลลัอันตะสุบฮานะกะอินนีุ่นตัมีนอกวะลีมีไปน้อง น, นี่ไงตกทุกข์ อยู่ในความลำบากเปน้องไม่ลืมอัลลอ์ไม่จะบ่นใครเลยบ่นกับอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอ์ชมอัลลอ์สุภาพนะวตาะลานบีอิบราฮิมก็เหมือนการตอนโยนสายไฟเปน้องตอนโยนไปน้องฮัสบิยัลลอฮ์ยิบเรียนลงมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมบอกถ้าท่านฉันไม่เอาถ้าอ AH, ัลลอฮ์สิฉันเอาอัลลอ์ก็สั่งในไฟเย็นเห็นไหมนี่เป็นบทเรียนทั้งหมดเนี่ยบรรดาคนดีๆ อัมบียะในยุคกก่อนนี่เวลาก็ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาทำยังไงเขาปรับปรุงตัวเองเขาขอ อ, า อ, าอ้อนวออัลลอฮ์เขาฝากอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์อักบะดเนี่ยยิ่งใหญ่แต่นั้นอดทนในการทําความดีอดทนไม่ทําความชั่วสามอดทนเมื่อพบกับมูซีบาต์ต่างๆนะครับให้อดทนอย่าเพิ่งโวยวายซาบิรูอัลลอฮ์พี่น้องจงจงแข่งกันอดทน คำว่าแข่งกันอดทนอธิบายอย่างนี้แข่งกันสามรายการนี้เราไม่ได้ขอสักนิดหนึ่งแต่เอาลอให้มาแค่นั้นสามรายการนี้นะเป็นเนื้อธรรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีสามรายการนี้นะไปน้อง อ, อยู่บนโลกวิญญาไปนี่ไม่มีค่าเลยไปน้องเอาสามรายการมีอะไรบ้างที่เอาลอสร้างมานี่เป็นเตือนให้เราเพิ่ม إ ي م าน วาวันลาดีอันชาอะลักุมและพระองค์คือผู้ทรงสร้างหรือพูดผู้ทรงกรให้สู่เจ้าอัสามามีหูวัล อ, บอับซอสซามีอ่ไปว่าได้ยินอัสา ม, มาหมายถึงหูวัล อ, บอับซอสบาสแต่ว่าเห็นมาถึงดวงตาแล้วก็มีตามีหูมีตาวัลอฟัฟอดะ และมีหัวใจอักิรียดไปว่าหัวใจพี่น้องอะไรก่อนครับหูก่อนตาที่สองที่สามหัวใจเด็กในคันก็เหมือนกันถูกสร้างมาขั้นตอนอย่างนี้พี่น้องนี่แหละสี่สิบอะไรนะร้อยี่สิบวั น, นครบบริบูรณ์อัลลอ์ก็เป่าวิญญาณ ล, ลงไปพอดีอัลลอ์สร้าง้องสร้างหูก่อนแล้วก็สร้างตา แล้วก็สร้างหัวใจคือให้ฟังให้ดูให้พิจารณาคําว่าหัวใจนี่เอาว่าพิจารณาพี่น้องหูเอาไว้ฟังตาเอาไวด้ดูหัวใจเอาไว้พิจารณานี่จกักจากคุณอ่านนะอาลัลลอฮฺสอนเรานะเจ้านั่นมีหัวใจเอาไว้พิจารณาทีนี้อลัลลอฮฺก็บอกว่ากอรีลันส่วนน้อย ส่วน้อยของคนนี่แหละไปน้องเป็นยังไงครับมาตะชูรูนที่สูญเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์ไปน้องนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังนะว่าข้อบวกพ่องของเราน่ะมีนะครับขอบคุณอัลลอฮ์น้อยที่สุดสามรายการที่อัลลอฮ์ให้มาคือขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าอะไปขอบคุณเรื่องอื่นหมดเริ่มนอนอ่นานอบีก็สอนว่าได้หลับตื่นมา ฟัอ่านดูอ่อัลฮ์มดุลิลลาฮีอ์ยานะดมอมตานะไลินนุชดได้พระยามาใหม่ไปต้องแต่งงานแมอ่านดอะอีกอัลล์อินนีอัสอลกคไราวครมาจกบัลตาอลัยว่าองดูกินชรฮาวชรมาจบัลตาอลัยอัลล์ให้ให้ดุอาหมดพี่น้องแต่ดูอสามรายการเนี่ยสร้างหูสร้างตาสร้างหัวใจ เราต้องใช้ปัญญาเราเองบ้างขอบคุณอัลลอ์สุบฮานะหูวะตาลพี่น้องทีนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่ออัลล์ให้ตามาขอบคุณยังไงพี่น้องนี่อ่านจากูอ่านสรุปแล้วนะเวลามีตาเนี่ยเอามีหูก่อนฟังในเรื่องดีๆนี่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์แตทุกวันนี้เราส่วนใหญ่เอาหูฟังอะไรครับฟังเพลงใช่ไหมล่ะฟัง ฟังเพลงฟังดนตรีฟังเสียงทะเลาะกันเสียงนินทาเสียงไ้ไลายฟังหมดไปน้องมีสักกี่คนเพื่อได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ชันออกห่างได้ยินเสียงนินทาชันไม่อยากจะฟังมีกี่คนไปน้องกอรี่ลน้อยมากทีนี้แต่หากจะให้เยอะมากๆไปน้องก็ต้องเรียนอิมานก่อนเรียนอิมานเรียนตักัาเรียนยาตีนเรียนอิคลาสเรียนอัคลาของท่านนบี เรียนญาติอาจารพอรู้เรื่องเหล่านี้ห้าหกรายการพี่น้องครับกาซีรุนมันมากที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุลละถ้าไม่เรียนเรื่องอิมานห้าหกรายการนี่นะกอรีรันส่วนมากดีพี่น้องน้อยเหลือเกินที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุลละอา้าวมีหูความจริงนะมีหูก็ฟังกูอ่านเยอะๆหน่อยใช่ไหมฟังคดีใช่ไห ม, ไหมสั่งฟังเรื่องดีๆลดงานต้องเยอะนะ ไปฟังเพลงฟังดนตรีฟังเสียงทะเลาะ ก, กันเสียงนินทาเพิ่มงานน่ะเครียดอีกนะทำให้เรานะเสียผู้เสียคนมาเยอะแล้วไนะเราฟังทัองอย่างนี้เอาต่อมาครับมีตาเอา้ามีหูเลือกฟังของดีๆเป็นการขอบคุณอัลลอ์มีตาเป็นน้องมองแต่ของที่ฮาลาลอย่ามองของที่ฮาราลถามตัวเองว่าเคยเคยก้มหน้าไหม วลาเก็นเคนเห็นของฮารอมเนี่ยไม่มองนเนี่ยเคยไหมมันต้องฝึกนะ่ะผมเคยถามนักเรียนเรียกว่าอ๋อต้องก้มด้วยอาจารย์นึกว่ามองได้ทุกอย่างเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มองได้ทุกอย่างนะบางทีเห็นมาแล้วเนี่ยมองครั้งเดียวน่ะพอคนระั้งที่สองไม่ให้มองมันต้องฝึกพี่น้องทีต่ากว่าพ่อไม่ฝึกถามว่าลูกจะถูกฝึกได้ยงไงแต่เมื่อพ่อเองเนี่ยมันมองทุกเส้นทุกอย่าง แม้แต่คารองก็มองคาร้านก็มองคือมันต้องฝึกนะอะไรที่คารองอย่ามองเนี่ยนบีเนี่ยยิงไอชาเล่าน่ะนบีไม่เคยมองอวัยวะเพศภรรยาโอ้เห็นยังนะนบีไม่เคยมองเ อ, อาอวัยวะเพศของภรรยาไม่มองแล้วพวกเรานี่โอ้โหสารพัดทางมองทางคำทางดมสารพัดเลยแต่แต่นบีทำ แต่ก็อนุญาตไหมอ่านอนุญาตให้แต่นบีนะ่ะทําเป็นแบบใช่ไหมหลายเรื่องในะพี่น้องนะนบีมีสายตามองอะไรครับนี่พี่น้องครับเอาสายตาไปมองอย่างนี้ทําให้สายตามีบรารกัดหนึ่งมองมองหน้าพ่อแม่มองหน้าพ่อแม่มแมโดยใจหัวใจที่อะไรนะอิมเอเบลลอนี่หน้าพ่อเราหน้าแม่เราถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราไม่จะเกิดมาบนโลกไปนี่นะมองสองมองใบตุลล ลอยยิ่งใหญ่มากพี่น้องอันที่สามมองอะไรครับมองอัลกุรอานมองตัวอักษรอนกุรอานนี่ตุกน้ำมึกนี่แหละพี่น้องแล้วก็พิจารณาดูมีบรรากัศแล้วก็มองน้ำทะเลนะั้นมหาสมุทรมองไปอันไปชายทะเลบ้างไปมองๆดูนึกถึงอกุรอานย่านนี้ไงววัลลาีอันชาอักุมุสซัมอวลอบซออัลลอฮ์มีสายตามามองอะไรครับ มองน้าทะเลอ๋อมองท้องฟ้ามองใบตุ่นลอมองหน้าพ่อแม่มองหน้าลูกๆมองหน้าภรรยาละกับอัลฮัมดุลิล ล, ล, ล, ล, ละอัลลอฮฺอัลลอฮฺเมตตาเหลือเกินนั่นคือคนตาบอดมองสิคนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นหน้าพ่อแม่คนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นหน้าภรรยาตัวเองอ่ะพี่น้องต้องนึกถึงตรงนี้พอห น, นึบปั๊บเนี่ยอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละหนึ่งหงายไปนองครับ เพราะฉะนั้นอีกข้อเลยนะครับพี่น้องหนึ่งมองหน้าพ่อแม่สองมองใบตุลลอสมมองชั้นทองฟ้าสี่มองน้ำในมหาสมุทรห้า ม, มองอัลกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็มองของเขียวเียวพี่น้องทำให้สายตาที่มันสดชื่นจริงๆนะเอาต่อมาข้ อ, ข อ, ข อ, ขอที่สามว่ลอัฟอิดอะไรนะหัวใจพี่น้องอุลมาอธิบายอย่างนี้ ชายหูฟังอายะต่างๆที่อัลลอ์ได้ทรงประทานลงมาเห็นไหมมองอัลกุรอานมองดูเนี่ยเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอ์ให้มาเช่นภูเขาต้นไม้ไปนอ้องมองดูสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็นึกถึงอัลลอ์เรื่องที่สองชายตาดูพิจารณาสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อัลลอ์สร้างมาบนโลกใบนี้ แต่ด้าเวลาถ้านพีน้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยคนฉลาดก็ต้องพูดเป็นผมออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูมัคลูกของอัลลอฮ์เป็นภาษาที่ควบคุมที่สุดเลยพี่น้องเด็กๆฟังชื่นใจโอ้พ้กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่พูดจาดีนะไปดูไปชมมรคลูกของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์พี่น้อง ทอดท อ, อ, อที่สามอุลมะแนะนําบอกว่ามีหัวใจเอาไว้พิจารณาทําความเข้าใจทั้งสองรายการที่กล่าวมาไปเห็นมักลูกแล้วได้ข้อคิดอะไรใช่ไหมไปเห็นกาบ้าได้ข้อคิดอะไรไปเห็นพี่น้องมุสลิมเดินตะวามได้ข้อคิดอะไรพี่น้องไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราได้ข้อคิดอะไรเอาสองรายการที่เราเห็นที่เราที่เร า, เราอะไรเนี่ย ที่เราหูที่เราฟังเป็น้องเอามาพิจารณากับอัลกรุรอานอัฟิดะพิจารณาเอามาคิดเอามาวิเคราะห์นี่อัลลอฮ์สั่งนะครับเป็นน้องทั้งหลายต่อมาครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นแเป็นเนี่ยอมัมมาหูตาหัวใจเป็นเนี่ยอมัมมาที่คนส่วนน้อยที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาเมื่อเราอ่านอายะนี้เข้าใจแล้วเราก็เปลี่ยนหมายาง่ะ เราจะใช้สามรายการนี่แหละขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากเพราะปุออ่านตําหนิว่าคนส่วนน้อยไม่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เราเปลี่ยนหม่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะอย่าอย่าเหมือนกับปุออ่านที่อัลลอฮ์ตำหนิเอาไว้นะครับพี่น้องบุลมาอธิบายอย่างนี้อีกนะเวลาเนี่ยเวลาที่ที่อัลลอฮ์ให้ให้ให้ให้กับเรามาเนี่ยเคยวากาฟไหม ขออ่านวักกับเวลามีด้วยล่ะเคยจะวักกับรถวักกับที่ดินวักกับนู่นวักกับนี้ให้กับส่วนรวมใช่ไหมแต่อุลามะบางท่านเขียนบอกว่าเคยวักกับเวลาให้กับอัลลอฮ์ไหมอ๋ออาพี่น้องกับนี่ไงเราเอาเวลาของเราหลังนมาสุโบจนกว่าตะวันจะขึ้นประมาณชั่วโมงหนึ่งเราวักกับเวลาของเราที่มัสยิด เพื่อมาอ่านอัลกุรอานมาำลึกถึงอัลล์นี่เขาเรียกว่าวกักกเวลาอ๋ออัลลอฮน้องนี่ไงชายสติปัญญาอัลลอฮห่อัลบาะนั้นวกักกเวลาเพื่ออ่านอัลกุรอานวักกเวลานั่งอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์วักกะเวลาเพื่อมาศึกษาหาความรู้วกักกะเวลาเพื่อที่จะมาศึกษาฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลแลมุสลัมอัลลอฮฺเป็นน้องยิ่งใหญ่นะอ่าเป็น้องนี่เป็นเนี่ยอามัดนะคับพี่น้อง เพื Allah então, ่อจำเริถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ل ى ต่อมากับอายะฮ์ที่เจสิบเก้าวะฮุวันละดีที่รักคุณในที่ดินะในที่ชรุนวะฮุวัลีรกิะชรุนอัลลนอ อายะแรกเนี่เตือนให้คิดถึงเนี่ยอัมัดอายะที่สองนี่อัลลอฮ์เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์วะหุัลละีและพระองค์คือผู้ที่ดาร่าเนี่ยแปลว่าแพร่หลายหรือแพร่กระจายนะครับแพร่หลายหรือแพร่กระจายทําไม่กระจายออกไปพี่น้องไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่รวมกันให้กระจายกระจายกระจายกระจายกระจายใครทําครับอัลลอฮ์ทำ ให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยนะครับให้กระจายไปอยู่ตามประเทศต่างๆเมืองต่างๆตําบลต่างๆทั่วโลกใครทําครับเราทําเนี่ยพี่น้องเมื่อถึงที่พี่น้องชาวซีเรียเรานะพี่น้องในอิรักในโลกอาหรับวันนี้ถูกอพยพใช่ไหมไปอยู่ในโลกต่างๆในยุโรปถูกด่าบ้างถูกฟิชทนาบ้างถูกรังแกบ้างพี่น้อง เป็นแผนของลอตั้งหมดนะฮะให้ทะเลาะกันที่นั่นประเทศนั่นทะเลาะกัน อ, อพยพออกมาไปอยู่ประเทศนั้นเป้าหมายของอัลลอฮ์ต้องการจะให้อิสลามมุสลิมเนี่ยเจริญไปอยู่ทุกๆประเทศพี่น้องเพราะว่าอิสลามต้องอยู่ในทุกประเทศอิสลามต้องเข้าไปอยู่ในทุกๆุกบ้านในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่ว่าคนนั่นจะอยู่ที่ไหนก็ตามอาลัลลอฮ์พี่น้องมอง มองให้ดีมองให้สะอาดพี่น้องครับจะพบกับความเมตตาของ Allah ok สุภาพเวยอย่ามองมุมเดียวพี่น้องมองหลายๆมุมนะวันวัละดีอากุมแต่พระองค์คือผู้ทรงแพร่หลายนะครับพงพันของท่านให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่จะอยู่หมู่บ้านเดียวน ะ, ะวันนี้พวกอายุทยาไปอยู่ทั่วประเทศใช่ไหม ทั่วเลยแล้วก็ไปอยู่แบบสง่างามเลยนะไปค้าขายทำมาหากินไปริสกีไป่นองแต่ผู้นี้ไม่ลืมอัลลอฮ์ะนะไม่ไม่มุนุมน่มๆอาจจะไปสักพักหนึ่งสักสิบปีสิบปีพออายุห้าสิบตาบ้าทัวกันหมดละเข้าหาอัลล อ, อ์ ก, กันหมดไปเนองเหมือนกับกุ้งอ่านอายาไหน ท, ที่ผ่านมาไป่นองอะไรบ้างที่ผ่านผ่านมานะของเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเนาครับอะไรบ้างเช่น ว่าเราเด็กอคส์นะ humble นะครบฟัมาสตะกันุลีรับบิหิมว่ามียต่อรรณเวลาอันนลลอฮ์ลงโทษเ้าให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ยากจนให้มีปัญหาความความเดือดร้อนคนฝั่งนู้นเนี่ยไม่เคยนอบน้อมไม่เคยถ่อมตนต่ออัลลอฮ์แต่คนฝั่งนี้ไป น, น้องเวลาอยู่ห่างศาสนานะครับ เสร็จแล้วเอาล้อให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะหลายคนตาบ้าตัวหมดเลยนะนี่ผมไปไปสอนที่อะไรนะที่ซอยเสรีไทยนะพอพึ่งสอนจบแล้วมีหนุ่มอยู่คนนึงนะร่างใหญ่เลยน้องเข้ามานั่งแบบจ้างผมนะี่ยตอนนมนมนะเลวสุดๆทาทุกอย่างของที่อัลลอฮ์ห้ามอ่ะสุญูดนี่ไม่คสุญูดเลยอ่ะตระกูลดีมากเลยเป็นทรงเป็นแซ่อยู่มาก้า น, นุ่นเล่าเยอะ แต่เราเป็นไงตอนนี้ผมกลับตัวแล้วถามกลับทำไมล่ะอาจารย์ตอนอยู่โรงพยาบาลผมคิดผมจะตายแล้วเนี่ยที่ถ้าผมไม่กลับตัวจะเกิดตายวันนั้นผมไม่มีโอกาสได้ตบตาตัวไปน้องเนี่ยวันนี้ทำเลยล่ะไปน้องอกาดมาสูดอยู่กัดมาอ่านกุอ่านมาฟังศาสนาไปน้องเปลี่ยนแปลงกันเยอะในไปน้องนะเพราะะเพราะอัลลอฮ์เนี่ ย, นะ ไ, าายไปลองให้คนหนึ่งคนได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหนักๆไปน้นนอง ถ้ามีหวัวใจนึกถึงอัลลอฮ์นิดนึงนะเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทันทีเลยได้คนฝั่งนน้นป่วยร่วมตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คนฝั่งคนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลากระจานะทำอยู่เลื่อยไปน้องเอ้านะทีนี้อัลลอห์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยแพร่หลายนะครับของสู่เจ้าเนี่ยให้อยู่ตามฟิลอารุดีให้อยู่ตามแผ่นดินพี่ต้องสังเกตนะ ทำไมอัลลอฮ์ให้มนุษย์อยู่ในแผ่นดินแต่ย ahu ดีมันวางแผนให้มนุษย์อยู่บนขางบนใช่ไหมอันดัุณอานมี ไ, มไหมล่ะไม่มีนี่กุณอ่านไม่ได้บอกว่าอยู่นอกแผ่นดินเนี่ยได้เห็นไหมวะฮุบัลลาดีดารออกุมฟิลอาร์ดีและพระองค์คือผู้ได้ทรงแพร่หลายให้มนุษย์เนี่ยอยู่ตามแผ่นดินอันนี้ พิษมะฮยูบาวไม่ไนจะกําหนิดใช่ไหมฉะนั้นอู่ของมนุษย์อยู่ที่ไหนอยู่แผ่นดินอันนี้ถ้าอยู่บนชั้นฟ้าไปน้องครับต้องลงทุนเยอะต้องพาออกซิเดนชิวใต้กี่วันไปน้องฉะนั้นเดินตามแผนที่อัลลอฮ์าวางไว้ัข้อคิดก็คือมนุษย์จะอ ย, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ได้แต่เนียดใหม่นะจะอยู่ประเทศไหนก็ได้ฉนันเอาอิสลามไปเผยแพร่มันต้องอยู่อย่างนี้ไปน้องถ้าอย่าไป เพื่อหาสตงังมอนาอบุลละซันเคยด่าดคนอินเดียด้วยกันนั่นแหละไปเที่ยวไปยุโรปไปอเมริกาไปฝรั่งเศสอังกฤษคนอนเดียวเต็มไปหมดทุกประเทศน่ะมอนาอบุลลสซันบอกว่าถ้าพวกคุณมามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมาหาเงินเพื่อหาได้เงินเดือนทางอินเทราคารทีการอยู่ที่นี่คารอ่ออมโอ้ย มหาเงินในแผ่นดินของขอัลลอฮฺารอมคุณต้องอยู่ไหมอยู่ตรงไหนก็ได้ต้องเอาอิสลามมาเผยแพร่โอ้โหไป้องเห็นอย่างครับฉนันจะไปอยู่ตรงไหนก็ไปไป้องแต่ต้องเนียดนะฉันจะเอาอิสลามเนี่ยมาเผยแพร่นะครับคำดุเรืลอไปลองนี่เป็นข้อเตือนใจอย่างนาบีใช่ไหมทุกประเทศในโลกนี้เป็นของนบี และอิสลามจะต้องอยู่ในทุกๆบ้านบนโลกใบนี้และใครทําหน้าที่เลยพี่น้องนบีกลับไปหาอาลัลลอฮ์แล้วแต่นบีพูดว่าฉันเนี่ยต้องสอนอิสลามคนทั่วโลกใครรับผิดชอบก็พวกเราเอาอักลาของนบีเอาความคิดของนบีมาไวใ้ในในในหัวใจของเราในในสมองในความคิดของเราตัวนะครับคิดเหมือนนบีนะครับนอนเหมือนนบีทําแล้วอ่านตัวอาเหมือนนบีทําแล้ว อยากจะแต่งงานเกินสี่อยากไปทุกคนเลยพี่น้องแต่ Allah ให้แค่สี่จะมีอีกอย่างนะครับคิดเหมือนนบีไม่เคยมีใครทาแต่ท่านคิดเหมือนนบีจะอยู่ตรงไหนก็ตามเอาอิสลามไปอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามพาสุนนะนบีพาอิสลามไปอยู่ตรงหมู่บ้านนั้นด้วยนะครับเป็นตัวแทนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮสซาลลัม ล l l a h สอนนะครับ wahwaladillaharagum fil a r d และพระองค์คือผู้ได้ทรงแพร่หลายคงพันของสูเจ้าให้อยู่ fill a r d ตามแผ่นดินนะครับอยู่บนชั้นฟ้าลำบากครับพี่น้อง wahilai t u uh ู h a r u n และสูเจ้าจะถูกรวมกลับอย่างพระองค์ในวันฟื้นคืนชีพครับพี่น้องตกลงว่า ตายแล้วทุกคนต้องตายตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นแล้วต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งนี่ความรู้ได้าจากอาย่านี้เป็นความผมลองว่าตาย เ, เราตายเราตายเลยไหมไม่ตายเลยตายแล้วต้องฟื้นไหมฟื้นครับนี่ไงตัวชารูนท่านจะต้องถูกอะไรนะถูกเอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากฟืน้นฟื้นชีพแล้วไอ้ตัวชัดเนี่ยแปลว่าถูกให้รวมกัน สถานที่ที่ถูกให้รวมกันเรียกว่ามัชชัสภาษาลาภนะมัชชัสแปลว่าทุ่งที่มนุษย์มารวมกันตัวชัดถูกทําให้มารวมกันที่ไหนครับที่ทุ่งมะชัสสถานที่ที่มนุษย์มารวมกันตรงไหนครับเราอยู่แถวนั้นแหละอะไรนะซีเรียเจ็ดแถนั้นนะพี่น้องโอลโลพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอ่านกูอ่านได้ข้อเตือนใจมากเลยนะครับ อ่ะที่นี้ไอเรื่องตายแล้วฟื้นนี่เป็นน้องครับเป็นเรื่องใหญ่นะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อขนาดจบด็อกเตอร์แล้วยังไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแต่อัลกคุณอ่านนี่สอนว่าตายแล้วฟื้นไม่มีใครตายแล้วตายเลยไม่มีครับเอาดูอายะต่อไปวะบุลละรีวะฮีวะยูมี وله اختلاف الليل والنار أ فلا تعقلون ووالذي ه يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنار ه أ فلا تعقلون الله أكبر อยายะที่แ0ดสิบนี่ปน้องอัลลอฮ์สอนนะว่าผูว่าหมายถึงอัลลอฮ์อัลลอีผู้ทรงยุฮยยให้เป็นให้สู่เจ้าเป็นต้องสังเกตทำไมพูดเรื่องเป็นก่อนล่ะมันมีตายกับเป็นใช่ไหมอัลลอฮ์พูดอะไรก่อนนะเป็นแสดงว่าคนนี้นะอัลลอฮ์สร้างมาจากความเป็นก่อน ไม่ใช่สร้างมาจากความตายสร้างมาจากเป็นก่อนก่อนที่หนึ่งนะว่าอยู่มีแล้วก็อโลให้ตายให้เป็นให้ตายเอาตัวลงความเป็นความตายในี่ใครใครใครครวบคุมอยู่นะอโลควบคุมเห็นไหมเนี่ท่านไายันมานเลยอโลโดนแล้วลว่าใครเป็นใครตายเนี่ยอโละควบคุมดูแลแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวไปน้อง บางทีครื่งบินตกเด็กรอดมีไหมมีอันซึ้พิมพ์จะเจอเลยพี่น้องบางทีไม่น่าจะตายก็าตายพี่น้องบางทีน่าจะตายไม่ตายไอที่น่าไม่ตายตันตายพี่น้องทั้งหมดจะเอาล็อกควบคุมดูแลแต่เพียงเพียงเพียงคนเดียวนะครับววันละีวะหิยวะยูมีพระองค์คือผู้ทรงให้สูเจ้าเป็นวะยูมีละทรงให้สูเจ้าตาย ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในอำนาจของอัลลอสุบฮานุตาแต่เพียงผู้เดียวนะครับต่อมาครับวละลาห์ตีลาฟลาหูแปลว่าเป็นของอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ควบคุมดูแลอีกี่น้องอิสติลาฟแปลว่าการสับเปลี่ยนหรือการหมุนเวียนอิสติลาฟเนี่ยถ้าเราพูดคำๆแปลว่าขัดแย้งกันแต่ตรงนี้แปลว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรครับ อะไรกลางคืนอะไรมาก่อนกลางคืนมาก่อนใช่ไหมวันนะฮ ะ, ละกลางวันมาม า, มาที่หลังอน่านาคิดนะเป็นก่อนแล้วก็ตายกลางคืนมาก่อนแล้วกลางวันมาทีหลังเห็นไหมเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของกลางคืนกับกลางวันใครทําครับใครสร้างอัลลอฮ์เกีเ่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมดเลยไปนอนเอาสรุปสั้นๆนะ อัลล์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของยายหมดเลยนะดวงชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์และสัตว์และทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แปดเก้ารายการอัลลอ์รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้เดียวถามว่ามีที่ปรึกษาไหมอัอลลอ์นะ่ะไม่มีมีรัฐมีรัฐมนตรีรรรกระทรวงมีไหมไม่มี มี น, มนู่นมีนี่ไหมไม่มีพี่น้องรับผิดชอบแตเพียงผู้เดียวสิทฝ่ายของอัลลอฮ์ไม่นอนสิทฝายของอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ม่ไม่เอ้าพี่น้องเกินเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องแล้วก็ตอนตีสามตีสเนี่ยอัลลอฮ์จะลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งดุลย์เชื่อตามนี้เลยพี่น้องบางคนอธิบายย่ า, ยาว่าอัลลอฮ์ลง ลงานอนวัน ล, ลอวาเราเราไม่รู้ฉะนั้นให้รู้ขึ้นนามาตะขันยุดพี่น้องอุลามากนาบนะีสอนดีนะพอนบีสอนอุลามา ก, ก็มาอธิบายต่ออะไรบ้างเช่นให้นอนหลังนามาติชาพอนามาติชาเสร็จแล้วเนะี่ยให้รีบนอนมีคนโทรจะนอนได้ไงอ่ะจะดูรายการเท่าศาสนาพวกมตนจะไปดูอา้าว ก็ดูรีรันเอยอ๋อดูดูรีรันรีรันห็นไหมวันสองทุ่มครึ่งเนี่ยวเราทีวีใช่ไหมต่อปัญหาศาสนากันโอ้โหเป็นน้องสามชช่องเลยจะนี้คนว่าวกวับผู้บวนอนนอนทำไมนะเราดูรีดดูทีวีเนะ่ะบอกอย่าไปดูไปดูตรงกับวั น, นอ น, นรีบนอนแต่หัวค่ำหลับนมาดอิชารู้ไม่ได้อะไรอัลลอฮปฏิบัติตามสุนนะนบีเลย พ่ออบจะไม่นอนดึกเป็นไหมพี่น้องทีพ่อไม่นอนดึกเป็นน้องกับใบหน้านี่นะอัลลอฮ์ให้อยางนะสดสดชื่นไม่โทมพี่น้องแต่ต้องตื่นนี่นะตอนตอ น, ต, อนตีสีมานมาตะฮัดยุบอีกพี่น้องที่พ่อตื่นมาเนี่พี่น้องอ่านอญญาย่านี่แหละสิอายาของสุรอาลอยมรดังั้นดูท้องฟ้าอินนัฟิกติลาฟิลไลลิวันพี่น้องกับนี่ไงเอาสุนัขอันาบีประชายและชีวิตของท่านจะมีบรารัมัดมากครับพี่น้อง อัลลอพี่น้องครับอ่ะดูกุงอานญาน์นี้ต่อนะ้พี่น้องวะหุวันละดีจาระอะกุมฟิลอาบดีวะหวันละดีวาฮีวายูมีอัลลอฮฺผู้ทรงสร้างให้สู่เจ้าเป็นมีชีวิตว า, ายูมีตูและทรงให้สู่เจ้าตายทั้งสองอย่างนี้อัลลอฮคอนโทรลอยู่ค ว, คว you, บคุมอยู่แต่เพียงผู้เดียววาลาหุกตีลา และเป็นของอัลลอฮ์อีกไปน้องการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของกลางคืนและกลางวันอัลลอฮ์ไปน้องยิ่งใหญ่นะไปน้องนะแล้วต่อมารับอัฟลาตักิลูนสูเจ้าไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมมีใครคิดบ้างไปน้องมีม่ใครใช้ปัญญาไหมมีครับแต่ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ปัญญา ทำไมสูรเจ้าไม่ใช่ปัญญาคิดในเรื่องนี้อ๋อถ้าคิดนะรับมิสรังกันหมดแต่เพราะไม่คิดนะสิพี่น้องก็ถาาว่าใครสร้างกลางวันกลางคือธรรมชาติใครให้ดวงอาทิตย์ธรรมชาติใครให้มันุษย์เกิดธรรมชาติพี่น้องเห็นไมแต่ที้อุลมะคุณอ่าสอนอย่างนี้ธรรมชาตินะอัลลอฮ์ควบคุมผมไปหาเพื่อนผม มมลลโอนาอามาราดอลรมาอย่าอยู่ในอินเดียธรรมชาติอัลลอฮ์ดูแลฟิตราะกับกุดราะเนี่ยไม่เหมือนกันฟิตราะหมายถึงกฎธรรมชาติกุด ร, ราะหมายถึงความสามารถของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันกับฟิตราะได้ไมหมาเพราะว่าถ้าใครอยากจะมีลูกต้องผ่านการแต่งงานใช่ไหม แสกกุฎารอของอลัลลอฮ์เนี่ยเหนือความเหนือกฎธรรมาชาติที่อลัลลอฮ์วางไว้เช่นนบีอีสาอลัลลอฮ์สร้างมาไม่ผ่านพ่อผ่านแม่อย่างเดียวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิตรัตอห์นะอันนี้เป็นกุฎารตุลลอห์เป็นความสามารถของอลัลลอฮ์ต้องการจะแสดงให้มนุษย์ได้เห็นว่าอลัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในสี่แบบนะครับนี่ต้องการจะแสดงกุฎารตุลลอห์ไม่ใช่ฟิตรัร ños, ตุลลอห์ หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อและไม่มีแม่ที่เป็นกุศลตระทุลลอสองสร้างโตฮวาภรยาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่เป็นกุศลตระทุลโลประเภทที่สามสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อเป็นกุศลตระทุลโลพวกเราวันนี้เป็นเป็นเป็นฟิตรอลอจะเป็นธรรมชาติด้วยผ่านพ่อและผ่านแม่แต่งไม่แต่งอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องนะ ถ้าแต่งได้มีบราระกัดถ้าไม่แต่งไม่มีบราระกัดในในชีวิตนี่งอสามข้อนี้เป็นฟิตรตเป็นกุฎจรวดตุลล้อแต่ข้อที่สี่นี่พี่น้องเป็นฟิตรตุลล้อและกุฎจรวดตุลล้อด้วยพี่น้องสองอย่างบวกกันนะครับออลลอฮฺพี่น้องตัวหลงว่ามีปัญญาเนี่ยว่าทําอะไรนะทําไมท่านไม่ใช้ปัญญาอาฟรารัตต์อังตีรูดพี่น้องเนี่ยต้องการจะจะตำหนิ ตำหนิคนที่เดินตามปู่ญาติย า, ายเนี่ยยานินอัฟลาต่งตีลูทำไมคุณไม่ใช่ปัญญาเดินตามปู่ญาติยายทำไมในทุกๆเรื่องตามปู่ญาติยายบางเรื่องดีไหมดีใช่ไหมแต่หลายๆเรื่องดีไหมไม่ดีผมเคยไปอ่านกุณบ้านนีกาพอนอิกาเสร็จไปน้องอเอาถาดมานะมียาแพก มีอะไรอีกอะไรหลายอย่างผมผมก็นั่งมองกูเอาแล้วปุย่าตายายมาแล้วงานนี่ให้จะเบามานะมาเหยียบเราห้ามไม่ได้เราคนเดียวอะ่ะเอาลอยไปนอนได้ไงปุย่าตายายใช่ไหมเพราะท่านสิ่งที่นบีสอนถาว่ามีป่าอะไรเงีย้ยมีถาดมีนูน่นมีหญ้ามีหะ้าพงหญ้าแพกไร้อะไ ร, ร, ร, รเต็มไปหมดโต้เนี่ยตวแสบเลยนะโต้เนน้นอง พวกโต๊ะพวกกีอล่นรอพี่น้องคนนี้อร่อยจริงๆรงิพี่น้องทํางี้กํากับทํ า, านี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็นั่งฟังดูอัลลอฮ์นี่โต๊ะนี่อร่อยจริงๆริงาก็นึกถึงกุงอ่านไงอฟัฟลาต้างตีรูนทาไมคุณไม่ใช่ปัญญานาบีทำหรือเบล่อัลลอฮ์สั่งให้ทำไหมอุสารลงทุนให้จะเบามาเหยียบถาดนะถ้าผล บ, บุญอยู่ที่ไหนอ่ะเพราะนาบีไม่ทําเป็นรูปแบบว่ามันต้องนึบตรงนี้ไอ้พี่น้องทําไมไม่ใช่ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาพี่น้องทีนี้ใช้ปัญญาตามใครต้องตามนาบีใช้ปัญญาตามซอฮา บ, าาบ้านนบีพี่น้องแล้วก็ตามอัลกุรอานนะครับพี่น้องต้องรักอ่ะทีนี้ชีวิตชีวิตเราเนี่ยมีทั้งอะไรนะมีทั้งอะไรนะมีทั้งเป็นแล้วก็ตายมีวันหนึ่งทศนาอลีเนี่ยศนาลีนะ จะจะนามาศอีกก็ามาแล้วนะแล้วก็มีซอบ้างอีกคนหนึ่งมาถามไซนาอะะาลีบอกว่าไซนาลีช่วยบอกฉัหน่อยสัตว์ประเภทใดที่ออกลูกเป็นตัวแล้วก็ออกเป็นไข่ถามไซนาลีนะในมัสยิดก่อนจะตักเบสเนี่ยยืนคุยกันสองคนเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยมีสัตว์ประเภทใดบ้างที่ออกเป็นตัว แล้วก็ออกเป็นไข่ทนายต่อบดีว่าฉันไม่มีเวลาจะอธิบายสรุปสั้นๆให้คุณฟังก็แล้วกันว่าสัตว์ตัวใดที่มีใบหูอยู่ข้างนอกที่เห็นใบหูอยู่ข้างนอกเห็นชัดๆนะมันจะออกลูกเป็นตัวแล้วก็สัตว์ประเภทใดที่หูมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นใบหูของมันจะออกเป็นไข่ใช่ไม่ใช่ทนายพิจารณาเออใช่นี่ ถาว่าไซนาอีจบรามคำแหงเปล่าไม่ได้จบรามคำแหงจะจบจากมัสยิดฟังนบีสรนบีสอ น, น, ส อ, นอ๋อได้ฮิกุมะได้ความรู้สติปัญญาเต็มไปหมดพี่น้องทีนี้ถามว่าไก่กับไข่เนี่ยไข่เกิดก่อนจากอ้ญญายานี้อธิบายได้นะอัลลอ์สร้างไก่ก่อนแล้วก็ไข่ทีหลังนี่ไงอยู่หีย์วายูมีด Allah, อ, อัลลอฮ์บางอายะอื่นจบองไงนะอัลลอฮ์ให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตบางครั้งอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากความตายออกมาจากความเป็นถ้าว่าไก่กับไข่ไครมาก่อนไปน้องก็เทียกันไม่จบไปน้องถ้าอ่านเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาคุณอานมัตตาสินอัลลอฮ์สร้างไก่ก่อนแล้วก็สร้างไข่ทีหลังเหมือนกันสร้างคนก่อนนะครับเราสร้างอสุติทีหลังอย่างที่เป็นต้นพี่น้อง เอาทั้งหมดแล้วนี่อัลลอฮ์ให้ความรู้เพื่อเราได้เอาสติปัญญาไปพิจารณานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอส์บ ب า ا ن ه และก็ ت ع พี่น้องอัลฮัมดุลิลลา์พี่น้อ ง, อ, อ, ง อ, อุลมะตัฟซิดอธิบายว่าเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยใหญ่มากครับพี่น้องคิดว่าอัลลอ์เนี่ยจะให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ทำได้ไมั้ยได้ ทำได้อัลลอฮ์กนาอสร้างอาดามมาเป็นมีทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมสร้างฮาวาผ่านพ่อสร้างนาดีจีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่ออัลลอ์ยังทำไม่ได้อะแล้วก็สร้างมนุษย์พวกเราจากหน้ามาสุจิในพี่น้องนี่อะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุภาหู ว, วตาตาะต่อมาอายาที่แ1สเอ็ดพี่น้องบัลกอลูมิสลามากอลลอาวัลู บัลกลูมิส ล, าล่าหอายวา่าตรงกันข้ามบัลแปลว่าตรงกันข้ามเป็นไปไม่ได้บัลตรงกันข้ามเดี๋ น, อน้องกอลูพวกเขากล่าวมิสล่าแปลว่าเยี่ยงหรือเหมือนมากอ ล, ลอาวาลูนคนก่อนก่อนได้กล่าว พวกเขาพูดเหมือนคนรุ่นเก่าๆพูดอธิบายยังไงเช่นอธิบายว่าใครสร้างความเป็นความตายใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนะครับใครสร้างกลางวันกลางคืนพี่น้องตั้งแต่ยุคคก่อนมาแล้วเกิดขึ้นมาเองแล้วคนรุ่นหลังนี่ก็พูดเหมือนกันอะไรนะ เกิดขึ้นมาเองคําพูดของเขาที่เกิดขึ้นมาเองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่แหละเป็นคําพูดของคนรุ่นบูราณเขาพูดกันมาคนรุ่นใหม่เนี่ยจบปัญญาเอกปัญญาตีก็พูดตามคนแก่ๆส ม, มัยก่อนเหมือนกันนะี่อเลสสอเนี่ย เ, เราคิดทำไมไม่ใช่ปัญญาพี่น้องกับคนที่ใช้ปัญญารั บ, ร, บรับอิสลามหมดแล้วอนะ่ะในยุโรปรับอิสลามกันเต็มพี่น้องครับนักวิชาการครับอิสลามกันหมดแล้ว แต่ชาวบ้านธรมธรมดาๆนี่เปนอนจำเดินพูดเหมือนกับผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆพูดโอลูบาลโอลูตรงกันข้ามพวกเขากล่าวมิสลมากอลอววาลูพวกเขากล่าวเยี่ยงหรือเหมือนกับคนก่อนๆได้กล่าวภาษาเพาะดีนะเอาล่ะไม่ได้พูดแรงนะ พูดเหมือนคนเก่าๆพูดพูดเหมือนคนโบราณโบราณพูดพูดเหมือนคนสมัยพันตีพูดพูดเหมือนคนยุคก่อนเนอพูดไปเนองเห็นไหมจะนั้นพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดจะที่เรามีบุคคลตัวอย่างถ้าไม่พูดตามนบีอถ้าไม่พูดตามซอบ้านนบีหรือพูดตามคนที่มีศาสนาทำไมเห็นไหมนี่เป็นข้อเตือนใจจะนั้นเวลาพูดต้องพูดเหมือนนบีเวลาคิดต้องคิดเหมือนนบีเวลาทําต้องทําเหมือนนบี พอทําเหมือนนบีมันก็ถูกด่าว่าเป็นคณาไม่ทําเหมือนนบีถูกด่าว่าเป็นวาฮาบีทําเหมือนนบีถูกข่าว่าเป็นโกมูโดอเอาใครจะว่ามูดอาวาฮาบีให ว, ว่าไปเราทําเหมือนนบีตรงนบีใช้ได้แล้วเห็นไหมพี่น้องชันนการทําความดีวันนี้ต้องอดทนนะ่ะทูกเล่นงานนะ่ะก็สงสารพี่น้องที่เริ่มเรียนซุนนะวันนี้พี่น้องถูกอาชาบ้านแอนตี้หมดเลยนะ่ะ แอนตีเลยอย่าคบกับมันมันตายไม่ต้องไปยุ่งกับมันใช่ไหมวันลั้มันทำบุญเราไม่ไปงานมันเพราะาค้อขู่ๆกันไว้ไปน้องเห็นไมแค่ท่านวันนี้คนทำความดีก็ต้องอดทนไปน้องยึดนบีเป็นแบบยึดซาบ้านนบีเป็นแบบไปน้องอา้นานบีนบีไม่เคยอะไรนะไม่เคยแก้แค้นนบีกว่าฉันเนี่ยนะ เรื่องส่วนตัวนะฉันไม่เคยแก้แค้เลยเห็นน้องทำได้ไั้มโอ้โหคิดหนักนะเรื่องส่วนตัวฉันไม่เคยแก้แค้นใครเอาเรื่องที่สองนบีเนี่ยไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะไม่ทะเลาะกับภรรยาทำได้ไั้ยนี่ผมนำมารมชาแล้วไม่ทะเลาะกับลูกลกไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกับใครกนได้ไปเนอง ฟังได้กว่ฟังฟังมาได้กวถอยหลังอย่าทะเลาะไปน้องอีกบ้านเลยอกขอลยนะนบีเนี่ยเวลานั่งในเวลาเดินเนี่ยไม่เตะท่าเอาอักลากนี่ไป็นใช่ไม่ทะเลาะกับคนสองไม่วางตัวไม่เตะท่าแล้วกับเรื่องที่สามนะงานอะไรก็ตามที่ทําแล้วผลระบุญไม่ได้รับในโลกอาฟิรักนบีไม่ทำอ๋อนัก ง, งคิดนะั่คิดนะ อะไรที่ทําบนโลกดุนยาไปนี่ไปน้องและผลแะบุญในโลกอาคีรอดไม่ ม, มีไม่ทั้มันตรงกับอญญายะคุอานที่ัยนาอุมัดเนี่ยวันที่ไปรับกุญแจเมืองเข้าประเทศอียิปต์เนี่ยพวกบาลหลวงมายืนตอนรับกันเต็มไปหมดพอคุยสนทานานกับบาลหลวงท่านร้องให้กระทางร้องให้ทำไมนึกถึงกุอานอามเลตุนซีบาทํางานเหนื่อย ตัศลานารอนฮานมียโยนลงไปในไฟนรกเฮ้ยมายอเท่ากับอ่นอานในไงนามานี้อามิลาตุนนซีบาทางานเหน็ดเหนื่อยเหนือยร่วมตายไปน้องแล้วก็ตัสลนานโยนลงไปน่าบ่ไฟนรกทามียะที่ร้อนทํางานเหนื่อยผลบุญไม่มีทํางานร่วมตายไปน้องลงทุนลงแรงลงเงิน อโล่ลงทุนแต่ว่าเหนื่อยฟรีผลบุญมันจะรับการตอบแทนจากอโล่ไปเผยไปเผยแพร่ศาสนาของไม่ใช่ศาสนาของอโล่ไปเผยแพร่ลัทธิประเพในเรื่องสุกโปงสุกโปงไปน้องให้ชาวบ้านเขาอิมานกันในไปน้องแต่ของอโล่เนี่ยคุรานกษุณานะบีไม่จะช่วยกันเผยแพร่ทางานเหนื่อยร่วตายไปน้องผลบุญไม่มีเหนื่อยร่วงตายใไหน้าอุมาตรร้องไห้ไปน้องนี่ก็เหมือนกันที่ไปน้องครับเตือนพวกเรานะอะไรที่มัน ทำแล้วที่ผลแลบุญไม่มีในโลกอาเกลอะอย่าทำเอย่าทำนะนะครับต่อมาครับอายาที่8ปสองกอลูอาอิามิสนาวกุณนาตุราบังวะอิรามะอนนาละมะบัซุนอัลลออายาดีๆมากเลยพี่น้องกอลู อาอิจ๊มิทนาวะคุณาตุราบังวะอิลามะว่าอินนาละมัลบะงุสอัลลอพีบน้อง <B> ดูสับก่อนนะครับพอรู้พวกเขากล่าวอ้าแปลว่าหรืออิจ๊แปลว่าเมื่อมิทนาเราตายตายมันจะตายเองนะครับ ใครให้ตายอัลลอฮ์ให้ตายกอลูพวกพวกเขากล่าวว่าอาแปลว่าอะไรกันอิย า, าบิธนาอะไรกันเมื่อเราตายไปแล้ววากุณนาตุรอบและเรากลายเป็นตุรอแปลว่าดินตุรอแปลว่าฝุ่นเป็นผุยผงอัลลอฮ์ เมื่อเราตายไปแล้วกลายเป็นผุยผงไปแล้วกลายเป็นดินไปแล้วว่าอิรอมันแลกลายเป็นกระดูกไปแล้วอิรอมแปลว่ากระดูกบ o น e s ภาสาังกฤษนะเมื่อเราตายไปแล้วถูกฝันไปอยู่ในดินชีวิตของเราในเนื้อหนังนี่ปนไปแล้วเป็นผุยไปแล้วเป็นเป็นดินไปแล้วแลกลายเป็นกระดูกไปแล้วพี่น้อง ว่าอินนารมาเบาสูแล้วเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกหรือพวกเขาพูดกันพวกนายคนฝั่งนูน้นคนข่านี้ก็พูดเหมือนกันบางทีนะถ้าตายแล้วถ้าวันกิยามัดมีจริงอะไรเนี้ยเราก็จะยิน อ, อ๋พูดกันยังไงว่าเนี่ยฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องพูดดีๆพี่น้องอย่าอย่าพูดตามคนฝั่งนูน้นพูด่ายังไงนะเมื่อเราตายไปแล้ว เป็นฝุ่นไปแล้วเป็นดินไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วเราจะถูกให้ฟืน้นขึ้นมาแน่ๆหรือนี่คนฝั่งกนนูนพูดกันไปน้องคนฝั่ันี้ก็พูดตามคนฝั่งกนนูนเพราะว่าไม่ได้อ่านคุณอ่านทั้งชีวิตไม่เคยอ่านซุนนะนาบีเลยไปน้องฟังจาคนกาเฟดดูละครละครละครไปน้องจำภาษาของมาชายเต็มไปหมดเลยพี่น้อง ถางว่าตายไปแล้วเนี่ยเป็นฝุ่นไปแล้วเป็นเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยเอาล็อให้ฟื้นไหมนี่ไงพี่น้องครับอิมานข้อที่ห้ากับอิมานข้อที่หกอามันกุบิลละวามาลาอิกาติฮีวากุตูบิฮีวะลูซูลีวาเลยามิลอาเคศวันติยามะมีจริงข้อที่ห้าวาบิลกอนจะดีใครดีวาชารีพี่น้องข้อที่หกก็คือทําดีจะได้ดีทําชั่วได้จะชั่วไม่ใช่โลกบุญญาพี่น้อง ทำดีได้ระวังตอบแทนในโลกอาคิระทำชั่วได้รับการลงโทษในโลกอาคิระข้อที่หกฉะนั้น إ ي م านพี่น้องครับเรื่องโกรธไม่ต้องไปเรียนโกรธยังไงให้สะใจไม่ต้องไปเรียนอิจฉาไม่ต้องไปเรียนเรียนเยรื่องอิมานเยอะๆเรืยย่อะตักวาเยอะๆพี่น้องหัวใจของเราจะสงบอัลลอฮ์พี่น้องอิมานมันจะเพิ่มหัวใจมันจะนิ่มนวลจะนอบน้อมและถ่อมตอนจะตามมาตกลงว่า เป็นกระดูกไปแล้วเปนดไหมเืิดเป็นฝุ่นไปแล้วเปนดไหมฟื้นฟืนฟ้นแน่ๆไหมแน่ๆครับเจน้นก็อิมานข้อที่ห้ากับข้อที่หกไปเนาะนี่ถ้าคิดในเรื่องนี้เยอะๆไปเนองครับดีมากๆเลยนะอุลมามะพนะนํา่างี้เอาอิมานสามข้อเอาไว้ในใจอิมานต่ออัลลอฮ์อิมาน ต, ต่อวันอาคีรออิมานต่อกดกอดอกรดัเอาไว้ในใจลุกๆเลยต้องลุกทุกวันและอิอีมานต่อรอซูนอิมานต่อคำพี อีมาตัวมาเลกะาเอาไั้ข้างนอกข้างในาสามข้างนอกสามาอยู่ใกล้กตัวเราสิน้องถางว่าที่นั่งกันในวันนี้ในมัสยิดเนี่ ย, น, ยนี่เป็นเพราะความบังเอิญหรือไม่ใช่นี่เป็นตักเดชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุ ว, วะตะอาลาคนที่แต่งงานสิน้องเป็นตักเดชหรือว่าเป็นความบังเอิญไม่ใช่เป็นตักเดชของอัลลอฮ์ทั้งหมดสิน้องครับมีลูกบางคนเป็ลูกบุชายอย่างเดียวบังเอิญจะตักเดชตักเดชของอัลลอฮ์ บางคนมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวตักดีของอัลลอฮฺบางคนไม่มีลูกทั้งหญิงและชายเป็นตักดีของ Allah. อัลลอฮฺอาจารย์าาซเดกีนเนี่ยรือบาลีเนี่ ย, ยไม่มีลูกเลยแต่งมากี่ปีไปนะนี่เป็นตักดีของอัลลอฮฺบางคนมีลูกเต็มไปหมดเลยมันแดนิก้าด้วยอ้าวออกมาพูดแรงไปอย่างเป็นตักดีของอัลลอฮฺทั้งหมดใช่ไหมน้องนี่นะคนพอเวลานึกถึงตักดีของอัลลอฮฺเนี่ยถ้าไม่นอมน้อมถอมตนกันนะ S <S <S เออแล้วทดูดิละฉันขอบคุณอัลลอห์ะนะเนี่ยอันนั้เมื่อลูกไม่มีทําอะไรอ่ะอ้าวมนาบูษราน ล, ลูกไม่มีนะแต่หลานเต็มเลยนะเอาเวลาทั้งหมดวักลับให้กับอัลลอฮ์หมดเลยเขียนหนังสือออกทํางานศาสนาไปอบรมคนที่นั่นทั่วโลกไปหมดครับวักลับเวลาให้กับอัลลอฮ์สุภาห์นาบุษรานี่หลานเข้ามาเนี่ยมนาซัลมาหมาหลายมนาบุษสันมาเมื่อวานนี่อยู่ที่ หัดใหญ่แต่ผมไม่ได้ไปผมอยู่ที่พัทยาสลายมุงท่านด้วยอายุฟอร์รูปมอนัสลมานดเตอร์ซัลมานอันนาดวีหลายมนาบุหัสันมีคนส่งส่งส่งส่งส่งข้อความมาบอกว่าใครที่ทําให้มุสลิมทะเลาะกันใครที่ทําให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยแตกแยกกันคนคนนั้นนะทาบาปเหมือนกับกินเล่ เหมือนกับกินเหล้าเล่นการพนันบาปใหญ่มากเราก็มองไปเรื่องทะเลาะกันเรื่องเล็กๆที่ไหนได้เรื่องใหญ่นะอย่าให้มุสลิมทะเลาะกันอยู่กันเป็นจะมาอาไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียกนการติดต่อกันอย่าพูดให้คนทะเลาะกันถ้าเอาปัญหามาให้คนไม่มองหน้ากันไปน้องท่านกําลังทําบาปใหญ่นะเหมือนกับนั่งกินเหล้า ก, ก็เล่นการพนันนะั่นแหละ โอ้ภยภาษาพูดนิ่มแตคิดแล้วโอ้ยเห็นไหมพุณท้องครับเรื่องโมโหไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอนเรื่องอิจฉาไม่ต้องสอนเรื่องผูกพยาบาทไม่ต้องสอนเรื่องขี่เหนียวไม่ต้องสอนเพราะอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในใจยอยู่แล้วไอ้ขอได้่จะต้องเรียนละสอ น, นอีมานตักวายากตีนอิฮาซาันอิคลาส أ คลา ق ของท่านนาบี เอามาสอนเยอะๆไอ้เรื่องห้าหกรายการเนี่ยมาต้องสอนเพราะเราแปะวันจายอยู่แล้วแต่อีมานเนี่ยต้องหาใช่มหมอยู่ทีเเลเราให้อีมานเหรอไม่ใช่ต้องแสวงหาถึงจะเจออีมานนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับตนลงว่ามีคนถามมอนาอบุลละซันผมอ่านพวกพอดีคนยิว อัลลอ์จะรวมคนยิวในวันจะรวมคนยิวเทวะรวมเมื่อรอีย่าหนึ่งอธิบายว่าอัลลอ์จะรวมคนยิวที่ทุ่งมาซัแต่มอนาอับอบุซันสอนดีนะอัลลอ์จะรวมคนยิวบนโลกบุญญาไปนี้ขณะนี้พี่น้องชาวยิวนะ่ยอยู่ทั่วโลกเลยที่ทนนข้าสารนี่ก็เยอะมา ก, ก น, นะ ทุกประเทศในโลกยะคูดีะจายก็อยู่ไปอยู่ทั่วโลกหมดเลยเป็นน้องครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับวันนี้จะยึดประเทศแรมนบาบัลเลสตานไปแล้วนี่แหละเป็นสถานที่รวมของพี่น้องชาวอยู่วันนี้พี่น้องจะต้องเดินเดินกลับไปประเทศอิสราเอลไปตั้งบ้านหลักแหล่งที่นั่นนี่แหละเป็นสถานที่รวมกันแล้วก็ขจัดง่ายด้วยโอ้โหเพื่อคิดเออใช่เออ้ย บุคย์ยดีวันนี้อยู่กระจายไปทั่วโลกใช่หรือไม่ใช่ทุกประเทศในโลกมีหมดเลยประเทศอิสราเอลมีแล้วนี่นะเป็นแผนอารอล่อนะเริ่มเริ่มเข้าไปดีแล้วคนสองคนสามคนไปน้องนี่แหละพอรวมตัวกันดีนะมุสลิมรวมกันเมื่อไหร่เรียบร้อยเห็นยังถ้ามุสลิมให้มันรวมกันจริงๆกันแล้วกันพอรวมเมื่อไหร่ปั๊บจบเลยสถานที่เดียวารอตรงนี้ 30สิบล้านยี่หรือครยี่แค่เดียวจบ <c oughs> นี่ใครพูดนะมนพลัสานอ่านอ้โหเนี่ยคิได้งไงอ่ะทำไปเลยไปน้องแค่นั้นแพ้ก็รอดหมดเลยแต่นั่นไปน้องเราต้องเรียนอีหมานเยอะๆเรียนอิคลาดเรียนอัคลาดของท่านนาบีเรียนยาตีนเรียนอิซานเยอะๆไปน้องอย่าท้วงัวเองก็รกั น, นะครับเอาต่อมาอายาที่แปบสา لقد و ع د ْ ن َ ا نحن وآباؤنا هذا من قبْلُ إن هذا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لَقَدْ و َ ع د ْ ن َ ا نَحْنُ و َ آ ب َ ا ؤ ن َ ا هَذَا مِنْ قَبْلُ อินหะดาอิลาอาลา a s a t i r อัลลอฮฺบินางอาย่านี้อัลลอฮฺต้อตงการจะสอนอยางไงนะไม่ใช่สติปัญญาไม่หามความไม่หาความเข้าใจแต่เดินตามเรียนแบบเรียกว่าตักลีดแบบตาบอดนะ่ะอย่าทำเดินตามคนอย่างเดียวอย่าทำดู เราก็ดวยวัอิจนาโดยแน่นอนยิ่งลราก็แปล ว, ว่าโดยแน่นอนยิ่งวัอิจนาการสอนเช่นนี้นะครับมันวัอิจนาแปลว่าและที่เราได้ถูกสัญญาวัวอิจนาถูกสัญญาโดยแนะะ่นอนยิ่งและที่เราได้ถูกสัญญาหน้าหนุพวกเราเวัอิจนาถูกสัญญา ว่าอาบาอานาและบรรพบุรุษของเราอาบาแปว่าบรรพบุรุษพี่น้องคําว่าบรรพบุรุษมายถึงตัวย่อแชร์พี่น้อ ง, นน ง, นองคนเก่าบโรบราณที่ไม่เอาศาสนาในพี่น้องทีนี้คาว่าอาบาอุนาพี่น้องครับถ้ามองในแงข่ของอิสลามในแง่ก็งสุนทรนบีนะนบีอาดามเป็นอาบาอุนา น บ, บีอิบราฮิมเป็นอาบาอูนาเป็นบรรพบุรุษของเราคนฟังคนนี้นะคนฟังคนนูน้นคาว่าอาบะหมายถึงปูย่ย่าย ต, ต, ตายายโต๊ะแช่แช่ตที่ทําเรื่องอะไรอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยเอามาชายกันเต็มไปหมดวันนี้ก็เถียงนเรื่องนี้ใช่ไหมพวกเองเนี่ยไม่ไม่ได้รักษาต๊ะเย่อไม่ได้รักษาพี่น้องประเพณีอะไรเนี่ยแล้วก็ผู้เรียก็ตรกรอบไปหมดสิภาษาที่มันตามมา คำตอบก็คือคนรุ่นนั้นน่ะอลัลลอฮไม่ตกนรบบกเพราะเขาไม่รู้ไอ้พวกเราวันนี้ที่รู้แล้วถ้าเดินตามคนโบราณนะครับคุณตกนรกแน่ๆครุ่นเก่าไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่รู้วันนี้รู้แล้วฝืนใช่หมะนะ่ะรู้สุนนานาบีแล้วรู้สวบ้านนาบีทำอย่างนี้แล้วแล้วไปดันทุรังทำไมแต่ไม่ไปทิ้งอ่ะเป็นห่วงผููใหญ่อา้าวเขาไม่ตกนรก คุณเองจะตกนรกเพราะว่าไปฝืนคําสั่งของนบีไปขวางสร้าบ้านนบีไปฝางความคิดของท่านนบีทีเอามาสอนเนี่ยคุณไปยึดของเก่าๆปูร่าตายายพี่น้องดังนั้นอาบาอุนาตรงนี้นะแปลอยสองอย่างถ้ากลุ่มพวกศรัทธาต่อเลาะนบีอิบรอฮีเป็นอาบาอุนาเป็นบรรพบุรุษของเรานะครับไม่ใช่คนอื่นนะนบีอิบรอฮีมนะนบีอิสฮักนบีอิสมัย นบียะกูผูนี้เป็นอาบาอุนานะครับล้วก็ด้วอิดนาโดนนอนยิ่งนะฮ์นูวอิดนาเราได้ถูกสัญญามาก่อนแล้วนะฮ์นอาบาอานะตัวเราและบรรพบรุษของเราฮากันนะครับสอนอย่างนี้แหละมิงก็บลู ก่อนที่มาก่อนอินฮาดาอิลลาอัาติรุลอวลีนอินแว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่อะไรนอกจากปวงนิยายปารัมปราหรือนิยายที่เหลวไหลพี่น้องสมมติว่าการตามปู่ย่าตายายนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องไม่ดีนะครับอาจารย์นี่สอนนะ ตามปู่ย่าตายายเนี่ยเรื่องไม่ดีได้เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องบางเรื่องนะเอาเช่นเขายืนหยัดอยู่กับอิสลามอันนี้ยืนหยัดไปเลยพี่น้องเราไม่มีปัญหา อ, นนอาจจะอยากทำบิณอบาตเป็นน้องอยากทําตามเขาแต่นี้คนรุ่นเก่าๆเนี่ยคนที่ไม่เอ า, าศาสนาะส่วนใหญ่จะอ้างว่าที่ฉันไม่เป็นมุสลิมเพราะปู่ย่าตายายฉันไม่ได้เป็นมุสลิมฉันแล้วก็ยืนหยัดในความไม่เป็นมุสลิมนี่แหละอย่าทำ น้องอย่าทำออลไลนี์มีรับอิสลามกันเยอะตรงนี้นะรับการเกือบทุกวันเลยทำโดยลยละอ่านกัรอ่านสองสามใบรับอิสลามกัแล้วพี่น้องร่อยิ่งใหญ่มากพี่น้องดังนั้นใครที่วิเคราะห์อัลกรุรอานวิเคราะห์คาพูดคุรานแต่ละคําแต่ละคำเอา ล, ล้อลเปลี่ยนแปลงหมดเลยก็เป็นน้องท่าไหอ่ทีนี้อายาเนี้ต้องการจะบอกอย่างนี้นะครับพี่น้องพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อน นะครับไม่เคยเห็นนบีมาก่อนไม่เคยเห็นซอบ้ามาก่อนเลอเจริญรอยตามบันพระบุรุษบรรพระบุรุษทำยังไงเราก็ทําตามเขาเขาเรียกว่าตักลีตตาบอดอย่าทํานะครับพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะศึกษาแล้วก็จะพบกับของที่เป็นที่เป็ น, ปนสัจธรรมอายะนี้ต้อกาตรต่อการจะเตือนอย่างนี้ผิดนรือครับยึดอัลลอฮ์อย่ายึดสิ่งอื่นอย่ายึด ป, ปู่ย่าตายายมาแทนยึดอัลลอฮ์ แล้วก็ยึดมั่นในอัลลอ์เนี่ยได้อะไรนะครับได้ห้ารายการอินนัลลาฮีนาะู ร, ร บ, บุนอัลลอ์คนที่กล่าวว่าอัลลอ์เป็นพระผู้อาภิบาลของเราซุ่มมัสตะกอมูแล้ก็ยืนยัดยืนหยัดให้แน่นนะพี่น้องนะอัลลอฮ์ให้ห้ารายการหนึ่งลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้า ไปอยู่ได้กูโบไม่ต้องกลัวฟื้นขึ้นมาในทุงมาชัดไม่ต้องกลัวเรื่องนรกไม่ต้องกลัวไปไปเรื่องที่สองเวาลาตาจานุอย่าไปกังวลอะไรนะเป็นห่วงเรื่องทั้งหลังอย่างเราจะตายก็ห่วงใช่ไหมมีที่อยู่พันไรยกตัวอย่างมีภรรยาสวยมีลูกหลายคนยังไม่ได้แต่งงานห่วงให้ไม่ห่วงใครมันจะมาอยู่มแต่งงานกับแฟนเรานะใครจะแต่งงานกับลูกเรานะ มันผ่านเงินหรือเปล่าที่นึกเยอะพี่น้องอังทารามอบมายอัลลอฮ์น่ะอัลฮัมดวยแล้วตาตาณจารุอัลไลฮิมุลมาลาอีกครับอลล์จะส่งมลาอีกมามาปลอบใจวิญญาณของคนที่กล้าจะตายห้าเรื่องพี่น้องเรื่องที่หนึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าเรื่องที่สองไม่ต้องห่วงเรื่องข้างหลังเรื่องที่สามข่าวดีคุณได้ไปสวรรค์เรื่องที่สี่พี่น้องครับ มาลายิกานนเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับท่านทั้งดุนยาและอาคีรอนั่งอยู่กับเราวันนี้มาลายิกาแต่เรามองไม่เห็นถ้าเห็นละรอเพื่น้องนี่มันมองไม่เห็น น, ะ น, น่ะหนาหัวอาวลียาอุกุม่มในกุณอาณะแท้จริงเราเนี่ยคุมครองท่านดูแลท่านอยู่บนโลกใบ น, นี้วัฟิลอาคีราะหลังจากชีวิตออกจากร่างไปแล้วมาลายิกาอัลออลอฮ์ก็อยู่กับท่านด้วยอยู่ในกุโบกับท่านนะมาลายิกา คุยกับท่านปรึกษากับท่านอ่านคุณอ่านให้ท่านฟังพี่น้องถ้าเราก่อนตายเนียจะอ่านกุณอานให้จบอ่านไปได้สักสิบยุษตายไอ้ที่เหลือมาเลกาอ่านให้ฟังในกุโบเห็นไหมเนี่ยดีไว้พี่น้องนั้นหัวใจต้องอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาแล้วก็อะไรครับวาลกุมฟีฮามาตช์ตท่านจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์และคุณจะได้ของที่คุณอยาก ว่ามาตัดดาวเะชินตคุณเรียกหาทั้งสองรายการในพี่น้องของอยากได้เลยของเรียกตะกะได้เลยสองรายการอยู่บนบุญญานีนได้ไหมอยากก็ไม่ได้มีบูชายอยู่คาวรมืวันพวกกับผมผมอยากแต่งงานใหม่ทําะไม่กล้าอยากกี่ว่าจะกลัวเมียเรืเร่องรที่สองขนาดเรียกแล้วขอหน่อยมันยังไม่ให้อยู่บนพุญญาไม่ได้แต่ Allah สัญญานะ วาเลคมฟีฮะมาตัชตาฮีอัมฟุสุกุมวาเลคมฟีฮมาตดนถ้าคุณ إيمان กัอัลลอฮยินจากอัลลอฮให้แน่นนะคุณจะได้อย่างที่คุณอยากและจะได้อย่างที่คุณต้องการทั้งอยากและเรียกหาได้ทั้งสองเลยบนเดินยานี้บางครั้งได้แล้วบางครั้งไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ีปนอนครับเอาหมดเวลาแลยก็ไปนอนสุภานะกอัลลอฮุวะบิฮัมดกอัดวัลลาอิลาอิลลาอันตะอัตัฟุกวะตูบลัย ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh